ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็ได้อ้างก็กล่าวว่าอุบาสกะนะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อแรกตรัสรู้สัปดาห์ที่8ดซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนมารผู้มีบาปอุบาสกผู้เป็นสาวกของเราจักอย่างไม่ฉลาดคือต้องมีสาวกอุบาสกด้วยนะสาวกผู้เป็นอุบาสกอ่ะ ถ้าหากว่าอุบาสกทั้งหลายยังไม่ฉลาดยังไม่ได้รับแนะนํายังไม่เกลียวกล่ายังไม่เป็นพหูสูตรยังไม่ทรงธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็ไม่สามารถจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำเนกทําให้ตื้นได้หรือยังไม่สามารถแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ข่มขีประวัติลัทธิอื่นที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้ ถ้าอุบาสกขาดความสามารถอย่างนั้นเพียงใดดูก่อนมารผู้มีบาปเรา ก, าก็ยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นนะมาตอนเนี้คําเนี้ยพระองค์ได้ตรัสไว้จริงเมื่อแรกตรัสรู้สัปดาห์ที่แปดบัดนี้ผ่านไปสี่สิบห้าปีนะอุบาสกผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นผู้ฉลาดแลว้วนะลูกหลานก็เก่งเก่งกันหมดแล้วกเกษียณเถอะคล้า ย, ายๆแบบนี้นะ ใครวะเนี่ยกลูกล้านก็เก่งๆกันพักๆบ้างอะไรแบบเนี้ยมันหม่านเขาก็อาศัยเหตุผลอ้างเป็นเรื่องดีเลยนะเขาทำเป็นอ้างว่าบัดนี้นะอุบาสกผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นคนฉลาด ได้รับคําแนะนําเป็นผู้แกล่วกล่าเป็นพหูสูตรทรงทำรรปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนก็สามารถบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกกระทําให้ตื้นแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คมกี่ประวาติลัดที่อื่นที่เกิดขึ้นโดยสหธรรมอย่างเรียบร้อยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจง ปรินิพานขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลว้วนะก็อ้างนะตอนนั้นพระองค์ก็บอกว่าอุบาสกมารก็บอกไม่ยอมอ่ะหาเหตุผลมาว่าพระองค์สมควรปรินิพานเหมือนกันนะนะก็บอกขนาดพระพุทธเจ้ายังให้มารยังบอกให้ปรินิพานเลยไม่ต้องกล่าวไปเรื่องอื่นนะนะสำหรับคนที่ทําอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปหนักใจร้เนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าดีขนาดนี้มารยังขอร้องให้ ปริณิพานเนี่ยนะขณะดวงอาทิตย์สว่างๆเนี่ยอย่าคิดนะว่าตอนกลางวันคนไม่อยากให้ค่าเร็วๆมีคนอยากให้ค่าเร็วๆจะตายไปไอคนที่อยู่กลางคืนบอกเมื่อไหร่จะรีบสว่างไอคนที่อยู่ตอนกลางวันบอกเมื่อไหร่จะรีบค่ำว่างั้นนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกนี้นะจะไปคิดทําอะไรให้มันสมใจปรารถนาของคนทําไม่ได้หรอกเนี่ยนะทีนี้มารก็อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ปริณิพานต่อไปอีกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อแรกตรัรสรู้สัปดาห์ที่แปดไว้ว่าอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของพระองค์เนี่ยนะหรือของเราถ้าหากว่ายังไม่ฉลาดยังไม่ได้รับคําแนะนํายังไม่แกล้ากล้ายังไม่เป็นพูหูสูตรยังไม่ทรงธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม อุบาสิกายังไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมยังไม่เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วสามารถแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื้นหรือยังไม่มีความสามารถจะแสดงธรรมมีปาฏิหารจนสามารถนําผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์และขมขีลัดที่อื่นที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมถ้าอุบาสิกายังทําอย่างนี้ไม่ได้เพียงใดดูก่อนมานผู้มีบาปเราก็ยังไม่ปรินิพานเพียงนั้น ทีนี้มานก็เลยบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้อุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉลาดแลว้วเนี่ยนะผ่านไป45ปีอุบาสิกาเยอะแยะเลยแต่ละคนก็ฉลาดมากเหมือนั้นอุบาสิกาของพระองค์ก็ได้รับคำแนะนำเป็นผู้แกล่วกลา่าเป็นหู้สูตรทรงรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แต่ละท่านก็ปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมแล้วก็เรียนคำสอนเรียนพระตราปิฎกจากอาจารย์ของตนก็สามารถบอกแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยจำแนกกระทาให้ตื้นสามารถแสดงธรรมมีปฏิหารช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ได้ท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะคมคีลัดที่อื่นเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่อุบาสิกายังแก้รัดธิมิฉาทิฐิที่เกิดขึ้นตอนนี้นะ เด็กอายุเจ็ดขวบก็แก้ละที่อื่นได้แล้วนะอุวาสิกาสาวิกาที่เป็นโสดาบันเนี่ยนะที่เด็กยิงอายุเจ็ดขวบก็รู้ยิ่งกว่าละที่อื่นหมดแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอังเหตุผลสีป่ปรนะการใพิุ สาวกภิกษุณีสาวกอุบาสกสาวกแล้วก็อุบาสิกาสาวิกาเนี่ยนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นถ้าพระองค์จากปรินิาผานก็ต่อเมื่อท่านเหล่านั้นฉลาด ได้รับคําแนะนําเป็นผู้กล้ากลา้าเป็นผู้หูสูดทรงธรรมทรงวินยัยปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมปฏิบัติชอบเนี่ยนะปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานปฏิบัติพอเหมาะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วช่วยสามารถช่วยการบอกแสดงบรรัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกให้ตื้นแล้วก็แสดงธรรมช่วยให้สัตว์อื่นบรรลุธรรมเป็นเครื่อง ค้นทุกนำออกจากทุกขมขีปรับประวัตและที่อื่นได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยเมื่อพุทธบริษัทเจริญอย่างนี้มีความรู้ความสามารถเช่นนี้แหละเราจะปรินิพานมารก็บอกว่าโอ้ยอเหตุผลที่พระองค์วางเอาไว้ตอนแรกตรัสรุ้นะสมควรถึงเวลาหมดเลยว่างั้นประจวบเหมาะแล้วว่างั้นทีนีน้เมื่อมารพูดจบพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาป อขอภายนัยยะที่ห้อีกนะมีนัยยะที่หที่มาที่พระองค์บอกมารไว้เมื่อสัปดาห์ที่8แรกตรัสรู้เนี่ยนะพระองค์ได้ตรัสกับมารว่าอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายว่าดูก่อนมารผู้มีบาปพรหมจรรย์นี้ของเรายังไม่บริบูรณ์คาว่าพรหมจรรย์นั้นหมายถึงาศาสนาะพรหมจรรย์ทั้งสิ้นที่สงเคราะห์ด้วยศีกขาสาม วินัยปิดกพระสุตันตปิดกอภิธรรมปิดกอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาคำสอนคือพระไตรปิดกหรือคำสอนศาสนพรหมจรรย์การประกาศคำสอนทั้งหมดที่ประชุมลงในเิกขาสาถ้าหากว่าคำสอนเหล่านี้จักยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แพร่หลายยังไม่กว้างขวางชนชนเนี่ยยังไม่รู้กันโดยมากคำสอนเหล่านี้ยังไม่เป็นปึกแผ่นตราบใด แล้วก็ขณะเดียวกันตราบเท่าที่พวกเทวดาและมนุษย์ยังไม่สามารถประกาศให้ดีแล้วถ้าหากว่า อ, องค์ประกอบที่กล่าวไปแล้วเนี่ยไม่มีเพียงใดเราจากยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นมารก็เลยได้เหตุผลบอกว่าบัดนี้นะบัดนี้เนี่ยนะ ณเวลานี้เหมือนกันเมื่อตอนนั้นพระองค์มีพระชนมายุ80ดิแล้วนะพรหมจรรย์นี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพรหมจรรย์คือศาสนพรหมจรรย์ที่สงเคราะห์ด้วยอาธิศีลอธิ จ, จิตและอาธิปัญญาของพระองค์บริบูรณ์แล้วศาสนพรหมจรรย์ศีลสมาธิปัญญาก็แพร่หลายแล้วแต่ผู้ตอนนี้ก็กําลังจะเสื่อมอีกแล้วเนี่ยนะก็ว่าก็คนละตอนกันนะนะแต่ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าใช่เลยว่าแพร่หลายมากกว้างขวางมาก คนรู้จักพระพุทธเจ้าเหมือนรู้จักพระจันทร์พระอาทิตย์เหมาอนกันตอนกลางวันคนเนี่ยปรารบดวงอาทิตย์ฉันใดตอนกลางคืนปรารบดวงจันทร์ฉันใดพระพุทธเจ้าเนี่ยเด่นฉันนั้นคําสอนของพระองค์ก็แพร่หลายกว้างขวางประดุดแสงแห่งพระอาทิตย์ฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนั้นนี่ถือว่าสว่างสวยัยแล้วก็รุ่งเรืองมากตอนนี้ก็โรยราไปมากแลว้วเหมือนั้นก็ตรงกันข้ามานะก็คืนสู่ภาวะปกติแลว้วเหมือนนนี่ ตอนนั้นเนี่ยศาสนาก็แพร่หลายกว้างขวางชนเป็นอันมากก็รู้กันเขารู้กันซะส่วนใหญ่เนี่ยใครที่มันได้ยินพุทโธอุปโนโลเกเนี่ยมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกใครที่ไม่รู้นี่ก็คนหูหนวกตาบอดเท่านั้นเลยคนธรรมดาทั่วไปเขาก็รู้กันซะส่วนใหญ่พระแล้วก็ศาสนะพรหมจาร์คำสอนที่เป็นศีลสมาธิปัญญาก็บบูรณ์แพร่หลายกว้างขวางเป็นปึกผ่น เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ประกาศได้เนี่ยนะเทวดาเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็สอนคําสอนได้นะมนุษย์ทั้งหลายก็สามารถช่วยกันสอนคําสอนบอกสนทนาในคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานขอพระสุคตเจ้าจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยนะต้องการจะให้พระพุทธเจ้าปรินิพานอย่างเดียว เมื่อมารผู้มีบาปกราบทูลอย่างนี้เสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคาก็ได้ตรัสกับมารผู้มีบาปว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดนะขวนขวายน้อยก็บอกไม่ต้องพอแล้วว่างั้นไม่ต้องพูดอะไรมากอีกแล้วไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องขยันมันเพียนไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเพราะไม่ชาตถาคตจากปริเนพัน ไม่นานรอเราจะปรินิพานล่วงจากนี้ไปสามเดือนตถาคตจากปรินิพานอีกสามเดือนปรินิพานนับไปเลยนับถอยหลังไปเนะก้าสิบวันเหมือนนนะเก้าสิบวันนะนะตั้งแต่วันวันมาฆะบูชาวัวนเพลนเดือนเดือนสามนี่นะพระองค์ก็ปรินิพานในวันเพลนเดือนหกบอกนับถอยหลังจากนี้ไปเก้าสิบวันอะไสามเดือนเก้าสิบวันผ่านไปตถาคตจากปรินิพาน อธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยที่บอกว่าพระองค์ปรินิพานเนี่ยน ะ, ะต่ออีกนิดหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเก้าทรงมีพระสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขารณ์ปาวานเจดีกว่าพูดแบบภาษาหนึ่งกว่าถอดใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปว่างั้นนะเหมือนกับบอกว่าอะไรนะประกาศสละประกาศสละชีวิตนะประกาศสลชีวิตซึ่งเป็นการสละจริงๆ เมื่อพระองค์เนี่ยมีสติสัมปชัญญะปลงหรือว่าสละสละชีวิตเนี่ยนะว่าอีกสามเดือนจะปรินิพานก็ได้เกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่ใหญ่แล้วก็น่ากลัวขนพองสยองกล้าวกลองทิพย์กบลือลั่นนะเกิดเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวโดยอเนกประการเกิดขึ้นในขณะนั้นถามว่าพระพุทธเจ้ากลัวไหมบอกพระองค์ไม่กลัว เมื่อจะประกาศเนื้อความแสดงความที่พระองค์ไม่ได้กลัวไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้แม้กลัวมานหรือเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งทั่วๆไปแล้วปริญนี้ผ่านไม่ใช่พระองค์รู้ว่าได้เวลาที่สมควรแล้วเนี่นะพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพระมุนีได้ปรุงเสียซึ่งกรรมอันชั่งได้และกรรมอันชั่งไม่ได้อันเป็นเหตุให้ปรุงแต่งหรืออันเป็นเหตุให้เกิด ใ, ดในพบใหม่ มีจิตยินดีตั้งมั่นภายในด้วยสมถะและวิปัสนาได้ทำลายกิเลสที่เกิดภายในตนเสียเหมือนทำลายเกราะฉะนั้นเยนะอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระองค์เปล่งอุทานตอนที่ปลงพระชนมายุสังขาร